ยังได้ตั้งใจมาวัาเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคัมสอนในพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่สอนว่าบุญนี้เป็นทรัพย์ของเรา เป็นสมบัติของเราเป็นเหมือนปัจจัยสี่ของเราคือเป็นเป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนเครื่องนุ่งห่มเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนอยารักษาโรคถ้าเราได้สร้างบุญแล้วเราจะจิตใจของเราจะไม่ขาดที่พึ่งเราจะมีปัจจัยสี่ของจิตใจ เราเชื่อว่าการที่เราทำบุญนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ต้องตายไปเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเราคือใจใจนี้ไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นใจของเราหรือใจของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ทั้งหลายใจของท่านไม่มีวันตายไม่มีวันสูญใจของพวกเราก็ไม่มีวันตายไม่มีวันสูญเหมือนกันต่างตรงที่ว่าท่านไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเราต้องมีกันเพราะท่านมีทรัพย์มีปัจจัยสี่ภายในใจของท่านพร้อมอยู่แล้วคือมีบุญมีกุศล ทำให้ท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาหาปัจจัยสี่ต่างๆถ้าพวกเราได้ทำบุญอย่างเต็มที่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพวกเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเพราะการมีร่างกายนี้เป็นความทุกข์เนื่องจากว่าร่างกายเราต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายไปและเราก็ต้องพัดพากจากสิ่งที่เรารักไปนี่คือความทุกข์ที่จะเกิดกับผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเห็นว่าความทุกข์นี้การเกิดนี้เป็นความทุกข์ท่านจึงได้ศึกษาและปฏิบัติ หาหนทางให้หลุดพ้นจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดจนได้พบหนทางและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากนั้นท่านก็เลยเอาความรู้อันวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ว่าเรานั้นยัง เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะความหลงนั้นจะทําทให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราจะสูญไปกับการสูญของร่างกายแต่ความจริงเราเป็นผู้ที่มาอาศัยหรือมาครอบครองร่างกายไว้เหล่านี้ไม่มีวันที่จะตาย เพราะธรรมชาติของเราคือใจนี้ไม่มีวันตายต่างกับพวกต่างกับพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าพวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่ใจของง่วงเรายังมีความทุกข์เพราะยังมีความหลงหลงคิดว่าเราจะมีความสุขถ้าเราได้มาเกิดได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำะนี่คือความหลง ที่หลอกให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอย่าในรูปเสียงกิ่นรสผลพพะอยู่ยการที่จะเสพรูปเสียงกิ่นรสผลพทพะต่างๆได้เราต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายการจะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องมีร่างกายเราจึงควรกลับมาหาร่างกายอันใหม่มานับไม่ทั่วแล้ว พอเรากลับมาได้ร่างกายอันใหม่เราก็ใช้ร่างกายอันใหม่หาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพะชนิดต่างๆไปจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจของเราที่ยังมีความอยากที่จะเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพะอีกก็จะหวนกับมาเกิดใหม่อีกนี่คือ นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราทำกันอยู่มานับไม่ทั่วนแล้วเพราะเรายังไม่รู้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เราต้องมากลับมาเกิดนี้ก็คือการมาตัณหาความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิก่นรสผลิตภัพฑนี่เองเราจึงยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่หยุด เราไม่หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะพพระพุทธเจ้าและพละระอรหันต์ท่านฉลาดท่านรู้แล้วว่าเหตุที่ทำให้ท่านลงกลับมาเกิดใหม่ก็คือกามตัญหาภาวะตานหาและวิภาวะตันหาท่านจึงปฏิบัติสร้างกำลังให้แก่จิตใจพลังของจิตใจก็คือ สติสมาธิปัญญาสนับสนุนด้วยวิริยะความขยันความภาคเปลี่ยนที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะถ้าได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากในกางคือการมาตันหาได้ หยุดในความอยากในความอยากมีอยากเป็นคือภวะตัณหาได้และหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภวะตัณหาได้อันนี้แหละที่ทําให้ใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกอยู่ไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังมีความทุกข์อยู่ เพราะเรายังไม่มีกำลังที่จะมาดับมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ใจของเราเลยต้องทุกขกับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้การที่เราจะหยุดได้ เราก็ต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าชีวิตของเรานี่เป็นอะไรเป็นอย่างไรทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นชีวิตของเราเป็นตัวเราแต่นี่ไม่ไม่ใช่เป็นความจริง ความจริงจะมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ว่าพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจเป็นเหมือนคนขับรถร่างกายนี้เป็นเหมือนรถคนขับกับรถนี้เป็นคนละส่วนกันเวลารถเสียรถพังไปคนขับไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถ คนขับถ้ายังต้องการใช้รถอยู่ก็ต้องไปหาซื้อรถคันใหม่มาขับต่อแต่ถ้าคนขับไม่ต้องการจะใช้รถแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อรถมาขับไม่ต้องมาทุกขกับการรักษารถไม่ต้องมาทุกขกับการเสี่ยงภัยกับอุบัติภัยต่างๆบนทางถนนผู้ที่ไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ก็คือ ที่ไม่มีความอยากที่จะไปไหนมาไหนนั่ง น, นั่นเองถ้าเราไม่ต้องการจะออกจากบ้านการจะมีรถ <c oughs> ก็มีไป <c oughs> ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีไปทำไมมีให้ไว้เกบกัาบเปอ่าฉันได้ใจของผู้ที่สามารถสามารถหยดความอยาก ต่างๆได้หมดแล้วใจก็ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คือความรู้ที่เราจะต้องรู้และจะรู้ได้จากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นก็คือต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยให้ความรู้แก่เรา ตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงจากเราไปแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคอยสั่งสอนอยู่เรายังมีแสงสว่างมีคนมาบอกให้เรารู้ความจริงของชีวิตของเราว่า เรากำลังดำเนินไปในทิศทางที่สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเรายังหลงกับความสุขทางตาหูจหมูกนิ้นกายอยู่สแสดงว่าเรายังเดินกำลังเดินผิดทางเพราะความสุขทางรูปเสียงกลิ่นล่นทางตาหูจหมูกนิ้นกายนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นความสุขที่เกิดแล้วก็ดับไป เวลาเกิดเราก็มีความสุขเวลามันดับไปเราก็มีความทุกมีความเศร้าสศกเสียใจ <Yeah. S 1> การหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นรสจากสิ่งต่างๆในโลกนี้จึงไม่ใช่เป็นความหาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความทุกข์มากกว่า <Yeah. S 1> พวกเราทุกวันนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไร ก็ทุกกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองเราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยให้ความสุขกับเราอย่างต่อเนื่องวันใดเวลาใดที่เราขาดความสุขขาดรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขวันนั้นก็เราก็จะมีความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยหเหงาว้าเวมีความหลุดหิดมีความลำคานใจถ้าไม่เชื่อลอง หยุดดูสักวันหนึ่งลองหาหยุดการหาความสุขจากรูปสิ่งิ่งล้โพธภ <c oughs> ก็คือลองถือสิ่งแปดดูสักวันหนึ่งดูว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราจะต้องไม่หลับนอนกับใครทั้งนั้นเราจะไม่รับประทานอาหารมากเกนเกินไปเราจะรับประทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้คือรับประทาน ไม่รับประทานหลังจากเที่ยววันไปแล้วไม่รับประทานอาหารเย็นไม่รับประทานอาหารข้าและเราก็จะไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆหรือถ้าอยู่บ้านเราก็จะไม่เปิดดูโทรทัศน์ไม่เปิดเครื่องเล่นเสียงฟังเพลงเราจะไม่ร้องลำมทำเพลงเราจะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวย ด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่มีสีสดใสต่างๆเราจะต่งกายแบบเรียบง่ายล้างหน้าล้างตาหวีผ้าหวีผมก็พอแล้วไม่ต้องใส่น้ำหอมอะไรต่างๆแล้วเราก็จะนอนบนพื้นไม้ปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อหรือถ้าจำเป็นก็อาจจะนอนบนผ้าหน า, หนาเพื่อการความเย็นก็ได้ แต่จะไม่นอนบนฟูกหนาๆนะเพราะเราไม่ต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณพ์ต่างๆนั่นเองลองทําดูแล้วจะรู้ว่าเราติดกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือเปล่าถ้าเราทํำนั้นเรารู้สึกสุขรู้สึกสบายแสดงว่าเราไม่ติดเราไม่เที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อน เราไม่ร่วมหลับนอนกับใครเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ได้รับประทานอาหารมื้อค่าเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูละครไม่ได้ร้องลํำทำเพลงเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเป็นถ้าเราไม่เดือดร้อนแสดงว่าเราไม่ติดเราไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสปรพภะเราไม่มีความอยากในการมปัญหา เรามีความสุขโดยการที่ทำใจของเราให้สงบไม่ให้เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทดสอบดูตัวของเราเองว่าเราเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะหรือไม่ถ้าเราเป็นเราก็ไม่ต่างจาก ผู้ที่เป็นาธาตุของยาเสพติดเป็นาธาตุของสุราเป็นาธาตุของบุหรี่ทั้งๆที่เราไม่ได้สูบบุรีไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้เสพยาเสพติดแต่เราก็ยังเสพ ร, รูปเสียงกินลดผลิตภัพฑในรูปของอาหารในรูปของเครื่องดื่มต่างๆในรูปของขนมนมเ น, มนยต่างๆในรูปของละคร ภาพยนต์ต่างๆในรูปของเสียงเพลงต่างๆในรูปของการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นและในรูปของการนอนหลับบนผูกหลับหนาๆ น, นี่คือเป็นการมะรดที่พวกเรายังติดกันอยู่ถ้าเราไม่ติดแนละ้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผุธพะไม่ต้องคอยหาคู่นอนไม่ต้องคอยหาละครดูหาภาพยนตร์ดูไม่ต้องออกไปเที่ยวตามแหล่บันเทิงต่างๆอยู่บ้านอย่างสุขสบายปลอดภัยไม่เสียเงินไม่เสียทองมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินเริ่มทอ ง, ทองเพราะว่าเรา ไม่ต้องใช้เงินทองออกไปซื้อความสุขต่างๆนั่นเองนี่คือการที่เราจะหยุดการเวียนว่าตายเกิดได้หยุดการหยุดจากการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราหยุดการมาตัณหาได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบคือพบของผู้ที่เสพการอีกต่อไป ผู้ที่เสกการก็มีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงเทวดาและลงไปถึงเดรัจฉานนักเปรตและ น, กนรกทั้งหลายพวกนี้ยังมีการมาตัญหาอยู่ในใจยังต้องการที่จะเสกการอยู่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเสพการด้วยการทําบาปเช่นไปลักขโมยเงินทองเพื่อที่จะมา หาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสไปขโมยเงินทองมาเพื่อจะได้ไปเที่ยว <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายถ้าตายไปก็จะต้องไปเป็นเปร่บ้างไปเป็นนรัดร์ชานบ้างแต่ถ้าเราเสพกามโดยที่เราไม่ได้ไปทำบาปคือเราหาเงินมาโดยวิธีที่สุดเจริญ พอมีเงินเราก็เอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมนาาบายแต่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นเทวดาก่อนถ้าเราตัดความอยากในการได้การมรดานหาได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรต ต่อไปไม่ต้องไปนรกเพราะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําบาสนั่นเองผู้ที่ไม่มีกามาตัณหาไม่มีความอยากในการนี้จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําบาปแต่อย่างไดเช่นศีลข้อสามก็ไม่ต้องทําคือการประพฤติผิดปรเวณีเพราะไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครนั่นเองไม่มีความอยากจะลักทรัพย์ เพราะไม่มีความอยากได้ทรัพย์ไม่มีความอยากที่จะฆ่าใครเพราะว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องไปฆ่าผู้อื่นเพราะไม่มีใครมาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืงได้เนื่องจากเราไม่มีความต้องการไม่มีความอยากได้อะไรนั่นเองถ้าอยากจะได้อะไรเราก็จะไม่โกรธเขาเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรคนที่โกรธก็เป็นเพราะว่าอยากได้อะไร แล้วมีคนอื่นมาคอยขัดขวางนั่นเองพอถูกเขาขัดขวางก็จะเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมานี่คือถ้าเราสามารถละกามาตัญหาได้ละความอยากในกามได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามมาพบไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องเกิดมาเป็นเทวดาไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรต หรือไปตกนรกเแต่เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมเพราะว่าเรายังมีตัณหาอยู่อีกสองส่วนคือภวะตัณหาและวิภวะตัณหาความอยากมีและความอยากไม่มีถ้าเราตัดความอยากมีและความอยากไม่มีได้แล้วเราถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนก็ตาม พบของพรหมเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าเราตัดภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ผู้ที่ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็คือพระอนาคามีท่านสามารถละกามาตัณหาได้หมดแล้วส่วนผู้ที่พระอริยสองขั้นต้นคือพระโสดาบันกับพระสกิดาคามีท่านยังไม่สามารถละหรือตัด กามาตัณหาความอยากในการได้ท่านก็ยังต้องกลับมาเกิดในกามาพบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทพก่อนแต่ท่านไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตบนางเพราะท่านมีศีลที่สะอาด บ, บริสุทธิ์ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำบาสนี้ จะทำให้ต้องไปใช้กรรมในอาบายท่านก็เลยไม่ทำบาปถึงแม้ว่าท่านจะต้องอดตายหรือจะต้องเสียชีวิตด้วยเหตุผลอันใดก็ตามท่านจะไม่รักษาชีวิตของท่านด้วยการไปทำบาปเพราะท่านเห็นว่าชีวิตนี้การตายของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วยังไรก็ต้องตายอยู่ดี เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาตายท่านก็ยินดีที่จะให้ร่างกายตายไปเพราะท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของท่านท่านไม่ได้เป็นร่างกายเรื่องอะไรที่จะรักษาร่างกายไว้ด้วยการไปทำบาปเพราะเมื่อทำบาปแล้วใจคือตัวของท่านจะต้องไปรับผลต้องไปใช้กรรมในอบายสู้ปล่อยให้ร่างกายตายไปดีกว่าตายไปโดยที่ไม่ต้องไปทาบาป ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายเพราะโสดาบันและพระอริยะทั้งหลายจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมที่ท่านแยกท่านสามารถเห็นว่าร่างกายกับตัวของท่านนี้เป็นคนละส่วนกันนั่นเองร่างกายเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟมีเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาส่วนใจนี้เป็นผู้รู้ เป็นผู้มาสายร่างกายเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลรุมผลบาปนังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเมื่อรู้อย่างนี้<ม>ก็จะไม่กล้าทำบาปเพราะทำบาปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายไปใช้กรรมในอบายต่อไปอนี่คือสิ่งที่เราจะรู้จะเห็นกัน ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือเจริญสติให้มากเจริญสมาธิให้มากเจริญปัญญาให้มากเพราะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจของเราที่มืดบอด ก, ก็จะสว่างสวขึ้นมาใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนคนที่หลับตาอยู่ยังไม่ลืมตาเหมือนคนที่นอนหลับ เวลานอนหลับนี้จะมองไม่เห็นอะไรหลับตาจะมองไม่เห็นอะไรแต่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ฉันใดใจของเราตอนนี้เป็นใจที่ถูกความหลงโมหะอวิชชาครองงมใจอยู่ทำให้ตาของเราคือตาในของเราปิดทำให้เราไม่เห็นว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน ทำให้เราไม่เห็นว่าเราจะต้องเป็นผู้ไปรับผลของบุญของบาปแต่ถ้าเราได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเจริญสติให้เรานั่งสมาธิให้เจริญปัญญาขึ้นมาถ้าเราเชื่อแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาห ด้วยความภาคเพียงไม่ท้อแท้ไม่เบื่อใดพยายามทําให้เต็มที่ตามกําลังเท่าที่จะมีอยู่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาภายในใจเราก็จะลืมตาในของเราเปิดตาในของเราขึ้นมาพอเราเปิดตาในแล้วเราก็จะเห็นว่าออร่างกายเรากับตัวเรานี่เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายเป็นเพลงที่เป็นเพยงรถยนต์เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เราใช้พาเราไปทำอะไรต่างๆส่วนเรานี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งด้วยความคิดสั่งให้เดินสั่งให้ยืนสั่งให้ไปพูดนี่เราเป็นผู้สั่งและเราก็เป็นผู้รับผลของคำสั่งเราสั่งคำสั่งไม่ดีเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เราไปทำไม่ดีเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราเป็นผู้รับผลของการกระทำของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราก็มีความสุขถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจของเราก็มีความทุกข์ความสุขและความทุกข์ที่เราทำอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันก็จะสะสมอยู่ในใจของเราไปเรื่อย พอเวลาเราตายไปความสุขและความทุกนี้มันก็จะมาคิดบัญชีกันถ้าความสุขมีมากกว่าความทุกเราก็ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ไปสู่ไปสู่พานิพานถ้าเรามีความทุกมากกว่าความสุขเราก็จะไปอบายไปนรกกันนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นถ้าเราจะเินสติ แล้วก็พอเรามีสติแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้พอเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบพอใจสงบเราก็จะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเพราะเวลาใจสงบนี้ใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราวตอนนั้นเหมือนกับไม่มีร่างกายอยู่ในใจแต่พอใจออกจากความสงบใจก็จะกลับเข้ามารวมอยู่กับร่างกาย พอตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ลืมเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็จะไม่ทำเกินเหตุเกินผลเช่นเราจะไม่ไปทำบาปเพื่อที่จะรักษา ให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้ถ้าเกิดมีความมีเหตุที่จะทําให้ต้องร่างกายตายไปเราก็จะปล่อยให้มันตายไปเช่นเราอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานเราก็จะหาอาหารโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราหาไม่ได้เราก็ยินดีที่จะปล่อยให้ร่างกายนั้นตายไปหรือถ้ามีใครจะมาปองร้ายเรา เราก็จะไม่ไปทำร้ายเขาถ้าเราหลบได้เราก็หลบถ้าเราหนีได้เราก็จะหนีแต่ถ้าเราหนีไม่ได้หลบไม่ได้เราก็จะปล่อยให้เขาทําร้ายไปแต่เราจะไม่ทําร้ายเขาเพราะเราไม่อยากที่จะต้องไปใช้กรรมในอาบายนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะได้รู้จะได้เห็นกันถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนา เมื่อเราได้พบแล้วเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันตายสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตของเราเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะได้ยุติการที่จะกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายกันไม่อยากจะจาาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป เราก็ปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสตินั่นสมาธิและเจริญปัญญาต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากในการหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอหยุดได้หมดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เราก็จะอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายอยู่กันอยู่กับบ้านที่ประเสริฐบ้านที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวบ้านที่เป็นปรมังสุขขังบ้านที่บ้านที่มีแต่บรงมรสุขนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้เราน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้สิ่งอันเลิศอันประเสริฐคือการสิ้นสุดแห่งการเวีนว่ายตายเกิดการพบกับบ้านที่ประเสริฐบ้านที่มีแต่บรมสุั จึงขอฝากเรื่องของการมีศรัทธาการมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ท่านมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา